อนาปฏิวนันพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ597 1. ภิกษุพิถามราคา 2. ภพิกูุบอกกับปิยะการก 3. ภพิกูุกล่าวว่าเรามีของนี้แต่เราต้องการของนี้และนี้ 4. ภพิกษุวิกลจริต 5. ภพิกูตต้นบัญญัติกะยะวิกะยะสิกขาบทที่10จบโกศีวัตที่2จบ